พ่วงกับพันเป็นพี่น้องกันแต่ว่านิสัยใจคอของพี่น้องคู่นี้ผิดแปลกแตกต่างดุดสีขาวกับสีดำ พวงผู้เป็นพีนี้ก็จะหนักไปทางที่เป็นนักเลงหน่อยนะคะก็จะหนักไปทางบูนะคะสนใจฝักฝ่ายในเรื่องของคงกระพันชาตรียิงไม่ออกฟันแทงไม่เข้าตั้งแต่แตกเนื้อหนุ่มเต็มตัวก็ลุยมานักต่อนะักเกิดเรื่องตีรันฟันแทงคราวใดนี่พวงไม่เคยหนีใครแม้แต่ก้าวเดียวค่ะเคยถูกฟันถูกแทงมาหลายหนแต่ว่าไม่เคยเสียเลือดเพราะว่าหนังเหนียวจริง ส่วนพันนะคะผู้ที่เป็นน้องชายนี่ก็จะรักสงบไม่เคยมีเรื่องมีราวกับใครถ้าวงแตกเกิดเรื่องตีกันเมื่อไหร่ พันนี้ก็จะรีบหนีไปไกลลิบลับเลยทีเดียวเรียกว่าไม่ยอมสู้คนไม่ยอมสู้ใครใครจะว่าขี้ขลาดตาขาวอย่างไรก็เฉยเสียนะคะเห็นด้วยด้วยเห็นว่าการทะเลาะวิวาทเนี่ยคือมันไม่ได้ก่อให้เกิดประโยชน์อะไรรังแต่จะหาภัยมาใส่ตัวโดยใช่เหตุพ่วงกับพันนะคะมีถิ่นฐานอยู่ที่ตำบลบางไผ่จังหวัดนนท บ, บุรีทั้งสองคนประกอบอาชีพทอดแหหาปลามาขายพอเลี้ยงชีวิตไปแบบว่าไม่เดือดร้อนค่ะ ต่อมาได้ข่าวนะคะจากทางชาวเรือค่ะว่าแม่น้ำนครชัยศรีมีปลาชุมสองพี่น้องก็เลยชวนกันล่องเรือไปหาปลาที่นั่นแจวเรือจากจังหวัดนนทบุรีไปตั้งแต่ค่ำเลยทีเดียวนะคะถึงแม่น้ำนครชัยศรีก็สว่างพอดีค่ะ จากนั้นก็ลอยเรือทอดแหหาปลามาเรื่อยๆโดยพ่วงนี่จะเป็นคนทอดแหส่วนในพันจะเป็นคนแจวท้ายเรือพอล่วงเข้ายามสายได้ปลามาพอสมควรค่ะ2พี่น้องก็เหวหัวเรือเข้าเทียบตะลิ่งข้างๆแพไม่ไผ่ก็เลยจากตะลิ่งขึ้นไปก็จะเป็นโรงหีบอ้อยซึ่งมีคนจีนเป็นเจ้าของ พ่วงเอาหลักปักลงไปกับพื้นนะคะแล้วก็ผูกเรือติดกับหลักแล้วก็ถอดแจวออกมาวางไว้บนแพรส่วนในพันนี้ก็เตรียมติดไฟหุงข้าวที่ท้ายเรือที่หน้าโรงหีบอ้อยก็จะมีคนงานอยู่เกือบ20คนตั้งวงกินเหล้าส่งเสียงเอะอะเฮฮาเพราะว่ากำลังเมาได้ที่กันทุกคนเลยมีคนงานเป็นคนเป็นลูกคนจีนคนหนึ่งค่ะเดินโซเซลงมาที่แพรทาท่าจะมาปล่อยทุกข พอเห็นว่ามีเรือจอดเทียบอยู่กับแพก็ทำท่าไม่พอใจคว้าเอาแจวที่พ่วงวางพาดไว้เนี่ยติดมือกลับไปด้วยพ่วงเห็นเช่นนั้นก็พยายามสะกดใจทําเฉยซะนะคะเมื่อสองพี่น้องกินข้าวกินปลาอิ่มแล้วพ่วงก็เลยตะโกนทวงถามคนที่ ทวงถามหาแจวนะคะที่มีคนคว้าเอาไปคนจีนซึ่งเป็นผู้ถือวิสาสะเอาแจวไปด้วยเนี่ยแทนที่จะนำแจวมาคืนกลับออกไล่นักเลงค่ะพูดจาท้าทายให้พ่วงขึ้นมาเอาแจวเองซึ่งในพ่วงเนี่ยเป็นคนโมโหร้ายถึงกับเลือดขึ้นหน้าโดดกลับขึ้นมาถอดหลักแจวได้ก็วิ่งเข้าไปหวกระบาล น, นักเลงลูกคนจีนถึงกับหัวทิ่มตกน้า คราวนี้คนงานโรงหีบอ้อยค่ะทั้งคนจีนคนไทยก็กรูกันเข้ามารุมพ่วงอยู่คนเดียว ซึ่งพวกนี้ก็ปักหลักสู้สุดฤทธิ์เน่ยนะคะคนงานเหล่านั้นก็มีหมดค่ะทั้งมีดทั้งไม้รุมกระหน่าพ่วงพักเดียวพ่วง ก, ก็สิ้นสติแน่นิ่งค่ะที่ส่วนในพันนะคะเห็นพี่ชายหมอบฟุบอยู่กลางวงล้อมแทนที่จะเข้าไปช่วยค่ะกลับทอยเรือหนีออกจากที่นั่นแล้วก็พลางตะโกนให้คนช่วยเสียงโขลมเลยแต่ว่าไม่มีชาวบ้านคนไหนกล้าออกมาช่วยนะคะจนเรือเนี่ยลอยไปพ้นคุ้งน้ํา ฝ่ายคนงานโรงหีบอ้อยค่ะนึกว่าพ่วงตายแล้วก็เลยลากร่างไร้สติเนี่ยไปทิ้งไว้ในป่าหลังโรงหีบอ้อยค่ะแล้วก็พากันแยกย้ายหนีไปหมดเลย เวลาผ่านไปจนใกล้สว่างคืนนั้นพ่วงก็ฟื้นจากอ่าสลบนะคะรู้สึกเจ็บปวดรวดร้าวไปทั้งตัวเพราะว่าถูกรุมตีรุมฟันแทงนับครั้งไม่ถ้วนแม้ว่าจะหนังเหนียวนะคะอ่าเพราะว่าอาจจะมีความคงกระพันชาตรีค่ะแต่ว่าอวัยวะภายในก็บอบช้ำสาหัสพ่วงได้แต่กัดฟันเดินเลาะเลีเ่ยบไปตามริมชายตลิ่งค่ะ เวลานั้นฟ้าก็สว่างแล้วก็เลยสอบถามชาวบ้านมาเรื่อยๆว่าพบเห็นน้องชายบ้างหรือไม่ชาวบ้านบอกให้ทราบนะคะว่าพันเนี่ยน้องชายไปผูกกระเรือพักอยู่บนแพแห่งหนึ่ง พ่วง ก, ก็เลยตามไปพบกับน้องชายนายพันก็ดีใจเป็นที่สุดค่ะก็เลยให้พี่ชายของตัวเองนี่ขึ้นมานอนตรงหัวเรือแล้วก็ตัวเองก็ใช้พายซึ่งเหลืออยู่เล่มเดียวอ่าก็พายเรือมุ่งหน้ากลับนนท บ, บุรีนะคะส่วนในพ่วงผู้เป็นพี่ชายก็นอนร้องครวญครางด้วยความเจ็บปวดมาตลอดทางพลางกล่าวคำอาฆาตด้วยความเครียดแค้นว่าขอให้กูหายก่อนเถอะกูจะกลับมาเอาชีวิตพวกมึงให้ตายทุกคน แต่ว่าพ่วงไม่มีโอกาสกลับมาแก้แค้นตามที่ลั่นวาจาเอาไว้ค่ะเพราะว่าล่องเรือมาได้ไม่นานพ่วง ก, ก็อาเจียนออกมาเป็นเลือดแล้วก็สิ้นใจตายอยู่ในเรือนั่นเองพอดีเรือมาถึงวัดตะบุญค่ะในคลองอคลองขุดนะคะวัดชัยพฤกษ์ในพันผู้เป็นน้องก็เลยจอดเรือที่หน้าวัดแล้วก็เดินร้องไห้ไปหาเจ้าอาวาสแล้วก็ขอฝังศพพี่ชายเอาไว้ก่อน ภายหลังจึงจะพาญาติพี่น้องเนี่ยมาขุดศพขึ้นมาเผาตามประเพณีจะอาวาดรับฟังเรื่องที่เกิดขึ้นทั้งหมดก็อนุญาตให้ฝังศพได้นายพันจึงจ้างสับ ป, ปะเลือหามศพขึ้นไปฝังไว้ที่โคนต้นมยมใหญ่ข้างป่าช้าวัตบุญค่ะจากนั้นก็ล่องเรือกลับบ้าน คุณผู้ฟังคะวัดตะบุญที่อยู่ที่ที่กก่าวมาเนี้ยนะคะอยู่ทางใต้ของคลองส่วนวัดชัยพฤกษ์ก็จะอยู่ทางเหนือของฟากตรงข้ามด้านหน้าวัดชัยพฤกษ์ก็จะมีร้านขายเล้าขายชายัยขายบะหมี่นะคะอยู่ร้านหนึ่งคนฝั่งวัดตะบุญเนี่ยคือถ้ากินเล้ากินหมี่ก็จะเดินตามสะพานข้ามคลองซึ่งเชื่อมติดต่อกันถึงโดยสะดวกค่ะนับตั้งแต่ศพของพ่วงถูกฝังไว้ที่วัดตะบุญ ชาวบ้านซึ่งอยู่เป็นปกติสุกมานานต่างก็พากันอกสั่นขวัญผวาโดยทั่วหน้าค่ะเพราะว่าในยามค่ำคืนอันเงียบสงบนะคะผู้ที่อยู่อาศัยใกล้วัดมักจะได้ยินเสียงร้องรวนครังดังโหยหวนจากป่าช้าแทบจะไม่เว้นคืนเสียงอันเย็นยเยือกนั้ น, เ, นเป็นเสียงของผู้ที่กำลังเจ็บปวดทรมานอย่างแสนสาหัสแล้วก็กลังร่าร้องด้วยความเคียดแค้นอาฆาต บางคราวนะคะก็มีคนเดินเฉียดเขตป่าช้าตอนพลบค่ําก็จะเห็นต้นมยมใหญ่ซึ่งมีศพของพ่วงฝังอยู่ใกล้ๆคล้ายกับถูกขย่มโยกไหวดังสนัน่นเล่นเอาคนที่เดินผ่านนี่วิ่งกันตะลิดเปิดเปิงจนเป็นที่เล่าลือกันว่าผีในพ่วงนี่ดุนักแล้วก็นับวันตั้งแต่นายพ่วงแสดงเสียงหลอกหล่อแล้วก็ขย่มกิ่งมยมะคะ่ะก็ทําให้สมาชิกประจําร้านหมี่ร้านเล่าที่ตั้งอยู่ฝั่งวัดวัดตะบุญนะคะหายหน้าไปเกือบหมด เนื่องจากว่าเวล า, าจะเดินข้ามสะพานมายังหน้าวัดชัยพฤกษ์ก็จะต้องเดินผ่านต้นมะยมต้นดังกล่าวค่ะใครต่อใครก็เลยไม่กล้าเสี่ยงนะคะเพราะว่ากลัวจะจับไข้หัวโกรนเพราะว่าถูกผีในพ่วงหลอกเอาที่ร้านขายหมี่ขายเหล้าแห่งนี้นี่มีคอสุดาขาประจำอยู่2คนค่ะชื่อในสีกับในมาทั้งสองเนี่ย จะเป็นคนที่แบบว่ากินรากินเหล้าที่ร้านนี่แทบทุกเย็นไม่เคยขาดเลยพอดื่มเข้าไปจนกลืมได้ที่แล้วนะคะก็เลยแยกย้ายกันเดินซอยอ่าเดินโซซัสโซเซกลับบ้านกันไปคืนหนึ่งค่ะนายสีกับในมาดื่มเหล้าเข้าไปเมามากเลยทีเดียวในมาก็เกิด้พะนันกับนายสีว่าถ้านายสีไปหักกิ่งมะ ย, ยมที่หลุมศพในพ่วงมาได้จะเลี้ยงเหล้าหนึ่งขวดกับมีอีกหนึ่งกระทะ ตามปกติแล้วในสีเป็นคนกลัวผีนะคะแต่ว่าวันนั้นดื่มเข้าไปไม่ใช่น้อยก็เลยเกิดกล้าค่ะฮึกเหิมเมื่อเพื่อนท้าพนันเหมือนศพประมาทกันเช่นนี้ในสีก็เลยรับคำท้าพร้อมกับเดินข้ามสะพานไปยังต้นมะยมที่มีศพในพ่วงฝังอยู่เมื่อถึงต้นมะยมค่ะในสีก็แทบหายเมาด้วยความกลัวผีแต่ด้วยทิฐิมานะอยากเอาชนะเพื่อนค่ะคุณผู้ฟัง ก็เลยต้องทำใจกล้ากัดฟันซุดตัวลงนั่งยองๆยกมือไหว้หลุมศพ บ, บอกกล่าวตามตรงค่ะว่ารับพนันกับเพื่อนมาหักกิ่งมะยมขออย่าให้ในพวกเนี่ยมาหลอกมาหลอนเลยหากว่าชนะพนันแล้วจะนาเอาเหล้าหนึ่งขวดกับมีอีกหนึ่งกระทะมาแบ่งให้กินก็บอกกล่าวเช่นนั้นแล้วก็หักกิ่งมะยมมาหนึ่งกิ่งโดยไม่มีเรื่องน่ากลัวใดๆเกิดขึ้น คราวนี้ค่ะนายศรีนายศีนะคะก็มีกําลังใจยิ่งกว่าเดิมเดินอกผายไหิ่งกลับไปที่ร้านเล่าหน้าวัดชัยพฤกษ์วางกิ่งมายมให้นายมาดูแล้วก็บอกว่าข้าเนี่ยเป็นฝ่ายชนะนี่คือกิ่งมายมต้นที่อยู่ตรงหลุมศพในพ่วงที่ข้าหักมาตามสัญญาแทนที่เนียมาจะยอมแพ้นะคุณผู้ฟังแล้วก็ปฏิบัติตามสัญญาที่ตกลงกันคือซื้อสุดาหนึ่งขวดกับหมีห่หกระทะกลับโอยวายค่ะว่าว่านายศีไปหักมายมจากต้นอื่น ไม่ใช่ต้นตรงหลุมศพของในพว่วงและโมเมไม่ยอมแพ้เอาดือด้อๆนะคะไม่ว่าในสีจะสะบัสาบานว่าอย่างไรนายนมาก็ไม่ยอมเชื่อจึงเป็นว่าในสีเนี่ยถูกนายมากงซ ง, ซ, งซึ่งหน้าค่ะคืนนั้นในสีจึงไม่มีเหล้ากับหมีไปให้ผีในพ่วงตามสัญญาเย็นวันรุ่งขึ้นในสีหาเงินไปซื้อเหล้าหนึ่งขวดกับหมีหนึ่งกระทะนาไปวางไว้ที่หลุมศพของในพ่วงแล้วบอกกล่าวว่า เมื่อวานนี้เนี่ยข้าไม่ได้เอาเหล้ากับหมี่มาให้แกกินเพราะว่าไอ้มามันโกงข้าวันนี้ข้าหาเงินซื้อเหล้ากับหมี่มาให้แล้วตามสัญญาถ้าแกกินอิ่มนำสำราญแล้วขอให้ไปหักคอไอ้มาด้วยเถอะมันทำให้ข้าเจ็บแค้นยิ่งนัก นายสีขอให้ผีในพวงนี่ไปหักคอในมาผู้ที่เป็นเพื่อนเกลอก็เพราะว่าริทโมโหค่ะที่ถูกเพื่อนโกงพนันไม่ได้มีเจตนาให้ในมาถูกหักคอตายจริงจังอะไรนักแต่ว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคุณผู้ฟังคะต่อมากลับเป็นเรื่องสยดสยองยิ่งนักกล่าวก็คือเวลาใกล้สว่างของคืนนั้นนะคะญาติของในมาไปปลุกให้ในมาลุกขึ้นไปไถนาเนืน่องจากว่าในมาสั่งไว้ญาติเรียกยังไงในมาก็ไม่ยอมตื่น เปิดมุ้งขึ้นไปดูพบว่าในมานี่นอนตาถลนลิ้นจุก ป, ปากขาดใจตายไปซะแล้วญาติพี่น้องก็พากันตื่นตกใจแล้วก็เศร้าอะไรกันทั้งบ้านเมื่อมีการตรวจดูศพอย่างละเอียดก็พบนะคะว่าในมานี่ตายประหลาดเนื่องจากว่ารอบคอมีรอยช้ำแล้วก็มีกระดูกหักด้วยผู้อื่นไม่มีใครรู้ค่ะว่าในมาตายเพราะสาเหตุอะไรนอกจากในสีที่เชื่อว่าเพื่อนเนี่ยถูกผีในพวงหักคอ หลังจากงานศพในมาผ่านไปก็เกิดเหตุอนาประวัติท่าน พ, นพึงต่อเนื่องค่ะนั่นคือคนงานโรงหีบอ้อยซึ่งรวมกันทําร้ายร่างกายของในพ่วงจนตายทยอยเสียชีวิตกันทุกคืนค่ะบางคืนก็มีคนตายถึงสองคนรวดศพทุกศพนี่มีลักษณะการตายเหมือนกันหมดก็คือเช้าวันรุ่งขึ้นจะนอนตายค่ะที่ในตานี่เหลือถลน รอบคอนีมีรอยเขียวช้ำแล้วก็กระดูกคอหักด้วยนะคะลักษณะการตายเช่นนี้ก็คือถูกหักคอตายนั่นเองความสยดสยองอย่างน่าพร่านพึงครอบงำพื้นที่โรงงานหีบอ้อยแห่งนั้นคนงานซึ่งมีส่วนร่วมกันทํำร้ายในพ่วงนี้ถูกหักคอตายไปถึง10คนคนที่เหลือก็เลยพากันหนีออกจากพื้นที่ไม่มีใครยอมกลับมาทํางานและแม้แต่เจ้าของโรงงานหีบอ้อยถึงกับปิดกิจการะคะ่ะเลิกทําโรงหีบอ้อยต่อไปเพราะว่ากลัวผีในพ่วงจะตามอาฆาต เมื่อในพวงมีชีวิตอยู่เคยลั่นวาจานะคะคุณนู้ฟังว่าจะย้อนกลับมาฆ่าทุกคนที่ทำร้ายเขาให้ได้แม้ตายไปแล้ววิ ญ, ญญาณก็ยังตามสังหารผู้ที่เป็นศัตรูสแสดงให้เห็นถึงความอาฆาตพยาบาทอย่างร้ายแรงและก็น่ากลัวอย่างแท้จริงนะคะเมื่อคนงานที่รุมทำร้ายในพว่วงตายไปเกือบหมดนอกจากคนที่หนีออกจากพื้นที่ผีในพ่วง ก, ก็เงียบหายไปไม่เคยปรากฏตัวอีกเลย คุณผู้ฟังคะเรื่องที่จะเล่าต่อไปนี้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริงนะคะในปีพุทธศักราช2483ที่บ้านของพี่สาวคุณพันนารายอยู่ที่กรุงเทพมหานครค่ะบ้านนี้เป็นบ้านหลังใหญ่มีเด็กอยู่ในครอบครัวถึง10กว่าคนเป็นลูกหลานส่วนใหญ่นะคะและก็มีเด็กบางค น, นะคะ่ะที่ท่านอุปการะไว้ ในปีนั้นมีคนมาอยู่ใหม่ในบ้านเป็นสาวรุ่นเป็นสาววัยรุ่นนะคะชื่อเจืออายุ17ปีค่ะกับน้องสาวที่ชื่อว่าเด็กหญิงจินอายุ7ปี2พี่น้องนี่มาจากจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะเมื่อม า, อ, าอยู่รวมกันเป็นจํานวนมากก็เล่นสนุกกันแทบทุกวันค่ะเด็กหญิงจินนี่เข้ากับเด็กอื่นๆได้ง่ายชวนเล่นอะไรเป็นร่วมวงกับเขาด้วยอย่างสนุกสนานยกเว้นเรื่องเดียวค่ะที่เด็กหญิงจินไม่ยอมเล่นด้วยเด็กขาด นั่นก็คือการเล่นซ่อนหาไม่ว่าเพื่อนจะชวนอย่างไรเด็กหญิงจินเธอก็ไม่เล่นเธอยืนยันเหตุผลที่ไม่ร่วมเล่นซ่อนหาด้วยนั่นก็คือเดี๋ยวผีเอาไปซ่อนพี่สาวคุณพันนรายนั่งดูพวกเด็กๆสนุกสนานรื่นเริงเห็นเด็กหญิงจินไม่ยอมเล่นซ่อนหากับคนอื่นด้วยท่าทางจริงจังก็แปลกใจก็เลยได้เรียกเด็กหญิงอ่านเรียกเจือนะคะพี่สาวของเด็กหญิงจินเนี่ยเจือก็เลยเล่าให้ฟังบอกว่า ขณะที่อยู่ที่อายุทยาตอนนั้นเด็กหญิงจินอายุประมาณห้าขวบมีพี่อายุไล่เลี่ย ก, กันก็ได้ชวนกันเล่นซ่อนหาค่ะซึ่งก็เล่นกันบนบ้านเด็กหญิงจินก็เล่นกับเขาด้วยแล้วก็มีคนแอบซ่อนแล้วก็มีคนตามหา รอบแรกที่เล่นเนี่ยเด็กหญิงจินเป็นฝ่ายซ่อนคนตามหาจนพบแล้วก็แอ บ, บซ่อนในที่ต่างๆครบทุกคนยกเว้นเด็กหญิงจินเด็กๆ ก, ก็ช่วยกันตามหาเด็กหญิงจินทุกซอกทุกมุมในบ้านนะคะแต่ก็ไม่พบค่ะก็เลยบอกให้ผู้ใหญ่ให้รู้คราวนี้ผู้ใหญ่ค้นหาตัวเด็กหญิงจิน ซึ่งเชื่อว่าคงแอบซ่อนอยู่ที่ใดที่หนึ่งในบ้านแต่ว่าหาอย่างไรก็ไม่พบเช่นกันค่ะนอกจากจะค้นหาอย่างละเอียดและยังตะโกนเรียกซ้ำแล้วซ้ำอีกแต่ก็ไม่ได้ยินเสียงขานรับคราวนี้ผู้ใหญ่ก็พากันตกใจด้วยความที่เป็นห่วงนะคะลงจากบ้านไปค้นหาตามเต้ถุนแล้วก็บริเวณรอบๆ บ, บ, บ้านไม่พบแม้แต่เงาพวกผู้ใหญ่ก็ได้ดมกันขยายวงกว้างค้นหาตัวเด็กออกไปเรื่อยๆนะคะ ตะกนเรียกชื่อไปด้วยแต่ว่าเด็กหญิงจีนที่หายตัวไปเนี่ยยังไม่พบร่องรอยเลยแม้แต่นิดเดียววันแรกผ่านไปโดยไม่พบเห็นเด็กหญิงจีนค่ะคล้ายกับว่าเด็กหญิงจีนนี่หายตัวเป็นอากาศาธาตุไปดือด้อวันที่2ผู้ใหญ่ในบ้านก็ไปขอร้องเพื่อนบ้านให้ช่วยกันค้นหาใหม่คราวนี้ค้นกันอยู่อย่างละเอียดทุกตารางนิ้วนะคะค้นไปในสวนตามพุ่มไม้ตามขอบรั้วบ้านนะคะก็ตามท้องร่อง หรือว่ า, าตามทุ่งนาตามอะไรก็คืออาจจะตกน้ําแต่ว่าการค้นหานะคะต่อให้ค้นหาอย่างไรนีคะก็ไม่เจอค่ะจนผู้ใหญ่ที่ไปค้นหานี่อ่อนอกอ่อนใจไม่พบตัวเด็กหญิงจินทางนี้ไม่มีใครคาดเดาได้นะคะว่าเด็กนี่หายไปไหนหายไปได้ยังไงจนกระทั่งวันที่3ค่ะอยูอยู่เด็กหญิงจินก็ปรากฏตัวอยู่บนบ้า น, นะคะ่ะท่าทางระโหยโรุยแรงยืนร้องไห้นะคะบอกว่าหิวน้ําหิวข้าว พ่อแม่แล้วก็พี่ป้านอาอาค่ะต่างก็ดีอกดีใจที่ได้ตัวเด็กกลับมาอย่างไม่คาดฝันแม่ก็รีบหาข้าวหาน้ํามาให้เด็กกินก่อนแล้วก็หลังจากนั้นได้ซักถามว่าไปแอบอยู่ที่ไหนทําไมถึงหาตัวไม่พบแล้วเวลาตะโกนเรียกเนี่ยทำไมไม่ขานตอบเด็กยิงจินก็เล่าให้ฟังค่ะว่าตัวเธออยู่ที่หลังบานประตูบนบ้านนี้เองตั้งแต่วิ่งเข้าไปซ่อนครั้งแรกก็ไม่ได้เป็นไหนอีกเลยขณะที่เล่นซ่อนหาเนี่ยก็ไปแอบหลังบานประตู แต่ว่าทันใดนั้นก็มีผู้ชายคนหนึ่งนะคะตัวใหญ่มากแล้วก็ผิวดําหน้าตาหน้าเกลียดหน้ากลัวมีหนวดมีคราวรุงรังถือไม้ตะบองอันใหญ่มายืนอยู่ตรงหน้าแล้วก็ขบขู่บอกว่าไม่ให้ออกจากที่ซ่อนด้วยความที่เธอหวาดกลัวผู้ชายคนนี้เนี่ยก็เลยไม่กล้าออกไปไหนได้ยินเสียงเรียกชื่อจะขานรับผู้ชายผิวดําร่างใหญ่เนี่ยเขาก็ห้ามไม่ให้ขานรับแม้แต่ตอนที่มีคนมาเปิดบานประตูเธอก็ยืนอยู่ตรงนั้นแต่ทําไมคนเปิดจึงมองไม่เห็นเธอ เธอก็ไม่รู้เหมือนกันเด็กหญิงจินก็เล่าว่าเธอต้องอยู่ที่หลังบานประตูนั้นข้ามวันข้ามคืนเพราะว่ า, าผู้ชายรูปร่างหน้าตาหน้ากลัวนะคะยืนเฝ้าอยู่ไม่ยอมไปไหนจนกระทั่งวันที่3ผู้ชายคนนั้นก็หายไปเธอก็เลยออกมาจากบานประตูได้นะคะ นี่คือสาเหตุค่ะคุณผู้ฟังว่าทําไมเด็กหญิงจินถึงไม่ยอมเล่นซ่อนหาอีกและนี่คือคําบอกเล่ายืนยันค่ะว่าผีลักซ่อนมีจริงนะคะแต่ว่าจะให้บอกว่าเป็นผีประเภทไหนนั้นคงไม่สามารถอธิบายได้แต่คิดว่าน่าจะเป็นผีขี้เล่นที่อยากจะมาเล่นสนุกกับพวกเด็กๆด้วยแต่ถ้าว่าการเล่นของผีเนี่ยซึ่งไม่รู้ว่าควรจะเล่นนานแค่ไหนใช้เวลาเท่าไหร่ในการเล่นนะคะก็เลยซ่อนเด็กไว้ ด้วยความที่ไม่เหมาะสมอ่าเลยทำให้เด็กแย่ไปเหมือนกันนะคะคุณผู้ฟัง